วันนี้เป็นวันอังคารที่7พุทพฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันที่สาธุชนพุทธบ ร, ริษัท จะได้มาทำการบูชาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการบูชาสองชนิดด้วยกันคื อ, อชนิดที่หนึง่งเรียกว่าอามิสบูชาชนิดที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชานี่คือการบูชาในพระพุทธศาสนา มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองอั น, นิี้สองที่จะได้จากการบูชาในสองขั้นนี้จะไม่เหมือนกันขั้นที่หนึ่งนี้จะทำให้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆส่วนขั้นที่สองจะทำให้ได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้น จากการเวียนไหวาตายเกิดในสังสารวัตรการบูชานี้ก็ต้องทำตามกำลังของผู้ที่มีจิตศรัทธาอยู่ที่ว่ามีศรัทธามากน้อยเพียงไรมีกำลังมากน้อยเพียงไร <champagne. S 1> ถ้ายังมีกำลังน้อยอยู่ก็ทำการอามิสอาิสบูชาไปก่อน ถ้ามีกำลังมากก็ทำการปฏิบัติบูบชาต่อไปอามิสุบูชาคือการบูชาด้วยการทานุ์บำลุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายจตุปปัจจัทยาทายทานต่างๆเช่นอาหารบิณฑบาตจีวร เครื่องนุ่งห่มที่วาศัยกุติยารักษาโรคด้วยการถวายสังฆทานบ้างถวายผ้าป่าบ้างถวายกระถินบ้างถวายกุติบ้างถวายโบสถ์ถวายเจดีย์ ถวายพระพุทธรูปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอามิสบูชาคือบูชาด้วยวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆอันนี้เป็นการบูชาที่ง่ายกว่าการปฏิบัติบูชา การบูชาอมิสสบูชานี้ถ้าจะให้ได้ไปสวรรค์ก็จําเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลห้าควบคู่ไปด้วยทุกครั้งที่มีพิธีถวายข้าวของสิ่งของต่างๆมักจะมีการสมาทานศีลห้ากันก่อนนี่ ม, มายังพันเตติสรณเนนัสหปัญจศีลานิยาจามะ ก่อนที่จะมีการกล่าวคำถวายสังฆทานหรือถวายภากฐถินถวายภาป่าถวายวิหาระทานก็มักจะมีการสมาทานศีลห้าก่อนเพราะถ้าทำแต่ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลห้ายังไปทำบาปอยู่ถ้าบาปนั้นมีกำลังมากกว่า ทานที่ได้ทําไว้ก็ยังจะไม่ได้ส่สงผลยังไม่สามารถดึงดวงวิญญาณให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้ถ้ากําลังของบาปที่ได้ทําไว้มีมากกว่ากําลังของบุญบาปก็จะส่งผลก่อนบาปก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง ให้เกิดเป็นเปรตบ้างเป็นหนศรากายบ้างไปตกนรกบ้างดังนั้นถ้าอยากจะมีความปลอดภัยจากอบายและอยากจะได้ไปสวรรค์ก็จำเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลห้าไปพร้อมๆกับการทำอามิสบูชา ทำบุญทำทานในรูปแบบต่างๆอันนี้ผู้ผู้ที่กระทําก็จะได้อ น, นิสงส์ได้ความสุขใจได้ความสบายใจในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาที่ร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ แต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกหลังจากบุญที่ส่งไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆหมดกำลังลงความอยากที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจคือกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกิรลดผลจะพะความอยากมีอยากเป็นอ ย, อยากเล่าอยากรวย อยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะดึงดวงวิญญาณให้ไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกาะร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายต่อไป แล้วเมื่อได้ร่างกายแล้วก็จะต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับการพัดพรากจากกัน<ม>เจอกับปัญหาต่างๆสารพัดปัญหาที่มีอยู่ในโลกนี้<ม>เจอความทุกข์ชนิดต่างๆไปจนถึงวันตาย ตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปอบายต่อไปแล้วแต่ว่าได้ทำบุญมากกว่าทำบาปหรือได้ทำบาบมากกว่าทำบุญก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นถ้าทำเพียงแต่อามิสบูชาคือทำบุญถวาย จะติดปัจจัยไทยทานต่างๆทมบุญตักบาตร่วมมีกระถินก็ร่วมทอดกระถินมีการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็มีการร่วมกันถวายเงินทองสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์การกระทาเหล่านี้ช่วยเพียงแต่ให้วิญญาณดวงวิญญาณได้ไปเกิดในสุคติ คือไปในสวรรค์แต่ไม่สามารถส่งวิญญาณให้ไปสู่พระนิพพานได้ถ้าอยากจะไปนิพพานก็จําเป็นที่จะต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานี้ที่จะส่งจิตให้ไปสู่พระนิพพานได้ ส่งให้จิตได้หลุดออกจากสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกคือในออกจากการมมพบออกจากรูปภพและออกจากอารูปภพได้ต้องอาศัยการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าการบูชาที่เลิศที่สุดก็คือการ ปฏิบัติบูบชาผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นนหะคือผู้ที่บูชาเราตถาคตพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใครที่มีการปฏิบัติบูบชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุคคล น, นั้นแหละคือผู้ที่บูชาตถาคต พระพุทธเจ้าทรงอยากให้ชาวพุทธเราได้ทําการปฏิบัติบูบชาอย่าบูชาเพียงแต่อามิสสบูชาเพียงอย่างเดียวอามิสสบูชาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในด้านถาวรวัตถุและในด้านการสนับสนุนให้นักบวชคือพระภิกษุสามเณร ีบวชเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้มีจตุปัจจัยทยานอย่างชีพไม่ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะได้เอาเวลาที่เอาไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้มาให้กับการปฏิบัติ การศึกษาและการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าศาสนานี้จะอยู่ในโลกนี้ได้จำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ดุดพ้นได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆถึงจะมีผู้ที่มีความ เห็นที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องรู้ในอริยสัจสี่รู้ในใจรักอนิจจังทุกขงังอนัตตารู้ในมั ก, ม, กมักที่มีองค์แปเป็นผู้ที่จะได้นำเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ ราถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันได้หลุดพ้นกันท่านเหล่านี้ที่มาบวชเป็นนักบวชก็ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารบิณฑบาตมีจีวรเครื่องนุ่งหม่มมีกุติที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคยามที่เกิดการเจ็บไข้ได้ดไป่วยขึ้นมา ก็ต้องอาศัยพุทธศาสนิกชนที่ที่ต้องการจะทำการบูชาด้วยอามิสบูชาเป็นผู้ที่สนับสนุนเหาบรรดาภาพิกสุสามเณรที่มุ่งไปสู่การปฏิบัติบูชาส่วนใหญ่การปฏิบัติบูชานี้มักจะ เป็นพวกนักบวชกันเป็นพวกพระภิกษุสามเณรหรือแม่ชีผู้ที่สละการคองเรือนมุ่งไปสู่การปฏิบัติเพื่อการลุพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นผู้ที่มีเวลาให้กับการปฏิบัติบูชา ได้อย่างเป็นที่ส่วนศรัทธายติโยมผู้ที่ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เป็นผู้ที่ยังต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวก็จะไม่มีเวลาที่จะให้กับการปฏิบัติบูชาถ้าจะให้ได้ก็เฉพาะวันละครั้งสองครั้งเช่นช่วง ก่อนนอนก่อนเข้านอนก็มีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมหรือตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนที่จะลุกไปทําอะไรก็นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็จะมีเวลาเพียงเท่านี้เพราะว่าหลังจากที่ได้ตื่นแล้วต้องทําหน้าที่ต้องไปทําหน้าที่ ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลครอบครัวก็จะไม่มีเวลาที่ให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เหมือ น, นักบวชนอกจากว่าถ้าเป็นวันหยุดทํางานเช่นวันพระก็อาจจะเอาวันหยุดทํางานนี้มาให้กับการปฏิบัติบูชา ได้อย่างเ<ม>ต็มที่หนึ่งวันก็ยังดี<ม>เช่นวันพระหรือวันหยุดทำงานที่ไม่ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีเวลาว่างเอาเวลาว่างของวันหยุดทำงานนี้มาให้กับการปฏิบัติบูชา<ม>ไปบูชาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยด้วยการเจริญสติ การจเจริญสตินี้เป็นการปฏิบัติบูบชาขั้นขั้นที่หนึ่งก่อนที่จะไปสู่สมาธิได้ต้องมีสติเป็นผูด้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิถ้าไม่มีสติใจจะถูกอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงดึงให้ไปหา ราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นี่ก็สำหรับผู้คลองเรือนก็มีมีโอกาสที่จะปฏิบัติบูชาได้ไม่มากวันธรรมดาวันที่ต้องทำอาหารกินได้อย่างมากก็ช่วงเช้าช่วงช่วงเย็นก่อนนอนหรือหลังจากตื่นขึ้นมาแล้ว ก็อาจจะมีเวลาบ้างให้กับการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะไปนอกจากนั้นแล้วเวลาก็ต้องหมดไปกับการทรมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการปฏิบัติบูชาจึงเป็นไปไม่ค่อยได้มากเท่ากับมาเป็นนักบวช ถ้าได้มาบวชเป็นพระภิกษุหรือบวชเป็นแม่ชีนี่ก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติบูบชาได้อย่างเต็มที่เพราะนักบวชก็จะไม่มีภาระหน้าที่ในการทำหมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะมีศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีความศรัทธานในการที่จะทําการอามิสบูชา สนับสนุนผู้ที่ออกบวชให้ได้มีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอั น, นี้มาศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติเอาคำสอนที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้นี้ไปให้กับการปฏิบัติ ผู้ที่จะทําการปฏิบัติบูชาได้อย่างเต็มรูปแบบก็ต้องเป็นพวกนักบวชนี่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องปลกอะไรที่การบรรลุมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับพวกที่เป็นนักบวชเอนพวกที่เป็นรารวะผู้คลองเรือนี้มักจะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัน อาจจะมีบ้างเป็นกรณียกเว้นคารวาว่าทุกขคองเรือนบางท่านอาจจะมีบารมีที่แก่กล้าที่สามารถทำการปฏิบัติบูบชาในขณะที่เป็นคารวะทุกขครองเรือนได้จนสามารถบรรลุมรรคผลทีผ่านขั้นต่างๆได้แต่ก็เป็นกรณียกเว้น ไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไปสำหรับกรณีทั่วไปนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี้มักจะไปเป็นนักบวชกันราะนักบวชนี้มีเวลาได้ให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองนักบวชกับคาราวะาคู่ครองเรือนเปรียบเหมือนกับผู้ที่เดินทางบนท้องถนน ผู้ที่ขึ้นทาง ด, วด่วนนี่ก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผู้ที่ขึ้นทางด่วนได้ก็คือผู้ที่เป็นนักบวชนี่ส่วนผู้ที่ยังขึ้นทางด่วนไม่ได้ยังบวชไม่ได้ก็เป็นผู้ที่เดินทางใต้ทาง ด, วด่วนถ้าเดินทางใต้ทาง ด, วด่วนก็จะต้องเจอกับรถติดเจอกับสีแยกไฟแดงเจอกับ อุปสรรคต่างๆที่จะคอยขัดขวางไม่ให้การเดินทางไปได้อย่างสะดวกราบรื่นให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วนี่คือสาเหตุที่ทําไมผู้ที่เป็นคารวะผู้ครองเรือนจึงไม่ค่อยได้บรรลุมากผล น, ผ น, กนิพพานไปไม่ได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลกัน ทำไมจึงมีแต่พวกนักบวชที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันก็เพราะว่าพวกนักบวชมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากกว่าผู้คล อ, องเรือนนี้ไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติเพราะต้องให้เวลากับการเลี้ยงชีพของตนเองและดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย อะไรททำให้ไม่สามารถที่จะให้ให้เวลากับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จิงไม่ค่อยได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านกันจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อสละเพศการทองเรือนแล้วก็ไปเป็นนักบวชคาจริงพวกนักบวชนี่ก็ไม่ได้เกิดมาเป็นนักบวช ด, ด้วยกัน พูดนักบวชนี้ก็เกิดมาก็เป็นคารวาดผู้ครองเรือนแต่พอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาลองนำเอาไปปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติได้ผลก็จะเกิดมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้น ก็เลยตัดสินใจออกบวชกันเพราะถ้าอยู่เป็นค า, า, ารวะผู้คองเรือน<ม>เวลาที่จะมีต่อการปฏิบัติก็จะมีไม่มากพอ<ม>ต้องเป็นผู้ที่ออกบวชเท่านั้น<ม>หรือเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติได้เหมือนนักบวชถึงแม้จะไม่ได้บวชเช่นบางท่านอาจจะมีทรัพย์สินมีสมบัติเงินทอง เก็บไว้อยู่ไม่ต้องไปทํามาหากินเรื่องปากเรื่องท้องไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวก็ จ, จะปฏิบัติศึกษาปฏิบัติอยู่ที่บ้านไปก็ได้แต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับการไปศึกษาไปบวชไปศึกษาปฏิบัติกับกับครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะเวลาได้บวชก็จะต้องบวชกับครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้อยู่กับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอริยบุคคลก็จะมีธรรมะที่ถูกต้องธรรมะที่แท้จริงคอยหล่อร้อมจิตใจให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนบรรลุถึงมรรคที่ผ่านได้อย่าง ไม่ต้องสงสัยเจ้าที่ดูประวัติของครูบาอาจารย์ของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างๆท่านก็เป็นผู้ที่ออกบวชแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอได้ศึกษาได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโน ไม่นานท่านก็ได้บรรลุมากขนนิพพานกันเช่นพระปฏิบัติสายวัดป่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาเนี่ใครเข้าไปศึกษากับหลวงปู่มั่นไม่นานท่านก็บรรลุ ก, กันเป็นพระอริยบุคคลเององศึกษาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแต่ละองค์ที่มีชื่อมีเสียงกันมาตามลำดับ ตั้งแต่หลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟันท่านพ่อรีหลวงตามหาบัวท่านเหล่านี้ท่านก็ไปศึกษาไปปฏิบัติไปเรียนกับหลวงปูม่ม่นกันแล้วหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติจนบรรลุเป็นภาพสุปฏิปันโน แล้วท่านก็ไปตั้งวัดแล้วก็มีพระที่มารีรษศึกษามาเรียนต่อ จ, จากท่านอีกแล้วก็ปรากฏเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมาตามลำดับดอันนี้แหละคือเรื่องของการปฏิบัติบูชาการจะปฏิบัติบูชาได้ผลดีนั้นจาเป็นจะต้องมีเวลาจาเป็นที่จะต้องเป็นนักบวช แล้วก็จําเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปโนในสมัยพระพุทธการได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าก็มักจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งนั้นเพราะว่าการปฏิบัติบูชานี้นอกจากการปฏิบัติแล้วยังจะเป็นจะต้องมีการศึกษา มีการเรียนรู้มีการฟังเทศฟังธรรมมีการารับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์และบางครั้งก็อาจจะต้องรับการตาหนิติเตียนด้วยถ้าหากทำตนไม่ถูกต้องถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านก็จะคอยเตือนคอยห้ามคอยบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้น การหลุดพาะนี่ต้องไปในทางของมรรคที่มีองค์แปดเท่านั้นเป็นต้นนี่คือสิ่งที่มีกันในพระพุทธศาสนาคือการบูชา อ, อยูสอ่สองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คืออามิสบูชา ขั้นที่สองก็คือการปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชานี้จะปฏิบัติได้ถูกต้องก็ต้องเรียนรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างการปฏิบัติบูชานี้ก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือศีลและภาวนา ส่วนทานนี้อยู่ในกลุ่มของอามิสบูชาทานศีลภาวนา น, นี้ทานจะอยู่ในกลุ่มของอามิสบูชาทำบุญทำทานถวายเจตุปใจัยทายทานต่างๆรักษาศีลห้าควบคู่กันไปอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของอามิสบูชาส่วนในกลุ่มของปฏิบัติบูชานี้จะแบ่งเป็น ศีลกับภาวนาแต่เป็นศีล8ไม่ใช่เป็นศีลห้าศีล8แล้วก็ภาวนาภาวนาก็มีแบ่งเป็นสองขั้นคือสมถะภาวนาทำใจให้สงบก็คือการปฏิบัติสมาธินี่แล้วขั้นที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนาคือการทำ ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็คือปัญญาฉะ mm hmm. นั้นการปฏิบัติบูชาจึงจึงก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้หรือการปฏิบัติศีลและภาวนาภาวนาก็มีแบ่งไว้สองขั้นสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเหมือนกันสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญานี้คือการปฏิบัติ บูชาเหมือนกับศีลและภาวนาศีลก็ศีลแปดภาวนาก็สมถาภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นนั่นเดียวกันแต่ใช้ภาษาต่างกันความหมายก็คือความหมายอันเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันพระที่มาบวชก็ต้องมีศีลอย่างน้อยก็ต้องศีลสิบขึ้นไปก่อน ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระได้ต้องบวชเป็นเนนก่อนอเวลาที่มีพิธีบวชพระนี่ญาติโยมไม่รู้ว่าเป็นการบวชสองสองขั้นตอนพร้อมๆกันขั้นตอนแรกเรียกว่าบรรประชาคือการบวชเป็นสมเนินถือศีลสิ์แล้วต่อด้วยอุอปสมบทมบรรประชาอุปสมบท อ, มอุปสมบทก็คือการบวชเป็นพระภิกษุ ที่ต้องถือศีล227ข้อตามมาต่อไปการบวชนี้จะต้องทุกคนที่จะมาบวชเป็นพระก่อนจะบวชนี้ต้องบวชเป็นเนนก่อนบวชเป็นสา ม, มเณรถือศีลสิบพอพอบวชได้เป็นสา ม, มเณรเสร็จก็บวชเป็นเป็นพระต่อไปเรียกอุปสมบทถ้าญาติโยมสังเกตอยู่เวลาที่เขาพิมพ์การ์ด ชวนเชิญให้ไปร่วมงานบวชนี้เขาจะเขียนบรนประชาอุปสมบทขอเชิญร่วมพิธีบรนประชาอุปสมบทของนายนั้นนายนีออ้อันนี้เป็นการบวชเป็นพระภิกษุก่อนจะบวชเป็นพระภิกษุต้องบวชเป็นสา ม, มเณรก่อนแต่ทำในแต่ทาในพิธีพร้อมๆกันไปเลยอันแรกก็ให้ไปขอสินสิท์ก่อนบวชเป็นสา ม, มเณรก่อน พอบวชเป็นสามเณรสิก็ไปขอบวชเป็นพระต่อไปประสมบทนี่คือศีลของนักบวชศีลของพระถ้าเป็นคารวะผู้ครองเรือนที่ยังไม่พร้อมที่จะบวชแต่ยังต้องการจะทําการปฏิบัติบูชาอยู่ก็ต้องถือศีลศีลสิบแต่เนื่องจากคารวดนี้มีปัญหาเรื่องที่ยังจะต้องมีเงินทอง จะต้องครอบครองเงินทองใช้เงินทองอยู่ก็เลยให้ถือศีลแปดศีลแปดความจริงนี่เป็นศีลเก้าเพียงแต่ว่าเอาศีลสองข้อมารวมกันศีลข้อที่เจ็ดนี้เป็นศีลสองข้อด้วยกันคือการไม่ดูมหรสพบันเทิงต่างๆข้อหนึ่งแล้วการไม่เสริมสวยความงามทางร่างกายไม่แต่งหน้าทำปาก ไม่ทำเเผ้าทำผมไม่ใส่ใส่เสื้อผ้าอภรรที่มีสีฉูดฉาดที่พิจิตพิศดานอันนี้เป็นสินสองข้อในสีนข้อเจ็ดของศีนแปดนี่ความจริงเป็นสีนสองข้อมารวมกันแล้วก็สีนข้อสิบก็ตัดออกไปคือการจับต้องเงินทอง ห้ามไม่ให้นักบวชไปยุ่งเกี่ยวกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองพูดง่ายๆ ไ, ไม่ให้เกี่ยวข้องกับเงินทองเพราะเงินทองนี้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือนของอันตรายเป็นเหมือนมีดเหมือนปืนถ้าไปเล่นกับมันแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ถ้ามีเงินทองแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปกิเลสตัณหาที่เราต้องการที่จะมากำจัดมาทำลายก็จะมาชวนให้เอาเงินทองนี้ไปเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้กกายไปก็เลยห้ามนักบวชไม่ว่าจะเป็นผู้คองเรือนหรือที่เป็นนักบวชเป็นบวชเป็นภิกษุสามเณรไม่ให้เกี่ยวข้องกับเงินทอง เนื่องจากว่าผู้ที่เป็นค า, ารวาสผู้ครองเรือนที่อยากจะทำการปฏิบัติบูชาแต่ยังต้องทำหน้าที่ทามาหากินเลี้ยงชีพอยู่ก็จาเป็นที่จะต้องจับต้องเงินทองก็เลยให้มาถือศีลเก้าแทนศีลสิบซึ่งศีลเก้าอนี้ก็ย่อมาเป็นศีลแปดพวกเราที่เราถือศีลแปดกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นศีลแปดนะ มันเป็นสีนเก้าข้อด้วยกันข้อที่เจ็ดนี้เป็นสองข้อรวมกันคือการไม่หาความสุขทางการบันเทิงมหัศรพับันเทิงต่างๆแล้วก็การไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรที่วิจิตรพิสดารหรือเสริมสวยร่างกายด้วยการทําสัลยกรรมตกแต่งต่างๆอันนี้ พวกที่ถือศีลแปดไปทาสัญญกรรมไม่ได้นะไปทําจมูกไม่ได้นะไปทําคิว้วทำตามไม่ได้ถ้าอยากจะถือศีลแปนี่ไม่ให้ถ้าอยากจะเป็นนักบวชเราไม่ต้องการความสวยงามทางร่างกายเราต้องการความสวยงามทางด้านจิตใจเรามาพัฒนาจิตใจเพราะเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนจิตใจไม่มีวันเสือ่อมเพอจิตใจเสริม สวยด้วยศีลแล้วก็จะเป็นจิตใจที่น่ารักน่าชื่นชมยิงดีไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสริมสวยความงามทางร่างกายที่เป็นความความงามชั่วทั้งชั่วคราวเพราะร่างกายต่อให้เสริมสวยให้มันดีให้มันสวยขนาดไหนเดี๋ยวการเวลาผ่านไปมันก็ต้องเหี่ยวมันก็ต้องย่นอยู่ดีต้องแก่อยู่ดีเพราะฉะนั้น ทางศาสนาจึงเน้นให้เสริมสวยความงามทางด้านจิตใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ศีลห้าขึ้นมาเนี่ผู้ใดที่มีศีลห้าบริสุทธิ์นี้ถือว่าผู้นั้นมีความสวยงามน่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วยน่าอยู่ร่วมกันต่างกับคนที่มาเสริมสวยความงามทางร่างกาย ด้วยการทำคิว้วบ้างทำจมูกบ้างทำอะไรบ้างต่างๆถึงแม้จะมีความสวยงามทางร่างกายแต่ถ้าจิตใจไม่สวยงามจิตใจไม่มีสีจิตใจยังยังโกหกอยู่ยังรักทรัพย์อยู่ยังอาพุทอผิ์ประเพณีอยู่อย่างนี้ก็ถึงแม้จะสวยทางร่างกายจะจะไม่สวยทางจิตใจ ใครที่ได้อยู่กับคนสวยทางร่างกายแต่ไม่สวยทางจิตใจนั้นอยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็ต้องแยกทางกันแต่คนที่มีความสวยงามทางจิตใจถึงแม้จะไม่สวยงามทางร่างกายก็จะเป็นคนที่มีคนเขายินดีที่จะอยู่ด้วยคบค้าสมาคมเป็นคู่ครองกันเพราะอยู่กับคนมีศีลคนที่สวยงามทางด้านจิตใจแล้ว มันทำให้สบายอกสบายใจมีความสุขใจนี่คือเรื่องของศีลของผู้ปฏิบัติเออถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ก็ถือศีลแปดในวันที่เราต้องการที่จะทำอามิสอปฏิบัติบูบชาเช่นวันพระเนี่ยวันพระนี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงอยากให้ สาธารชนพุทธบ้านมาทำการปฏิบัติบูชาเพราะว่ามีเวลาว่างจากภารกิจการทำงานต่างๆสามารถอยู่แบบนักบวชได้หนึ่งวันก็ให้มาทำการปฏิบัติบูชาด้วยการถือศี 9, 8, ลศีลเก้าศีลแปดหศีลเก้าี้อันเดียวกันเพราะว่ายังต้องจับต้องเงินทองอยู่ยังต้องไป เติมน้ำมันรถอยู่เวลาขับรถมาว่าน้ำมันใกล้จะหมดก็ต้องจอดรถเติมน้ำมันแต่สมัยนี้อาจจะไม่ต้องจับต้องเงินทองก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีบัตรเครดิตอาจจะใช้บัตรเครดิตแทนก็ไดก้ก็ถือว่าไม่ได้จับต้องเงินทองจับแต่บัตรเครดิตแต่ความหมาย ก, ก็คือไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทอง ให้ถือศีลแปดกันแล้วก็เอาเวลาที่ว่างนี้ทั้งวันมาให้กับการปฏิบัติสมาธิและปัญญาสมาธิก็เป็นการปฏิบัติขั้นหนึ่งปัญญา ก, ก็เป็นการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องทำแยกกันไม่ได้ทำพร้อมกันเช่นตอนนี้สัฏายาโยกมกำลังมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ อันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติปัญญาสร้างปัญญากันขึ้นมาเพราะเป้าหมายของการฟังธรรมก็คือการศึกษาเรียนรู้<ม>การเรียนรู้นี่แหละก็คือเป็นการสร้างปัญญาปัญญาก็คือความรู้ในการปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆ<ม>ถ้าไม่ได้เรียนรู้จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ในวันนี้มาได้ฟังธรรมก็ได้รู้แล้วว่านี่การบูชาในพระพุทธศาสนามีบูชาอยู่สองระดับด้วยกันอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาบางคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจก็คิดว่าทำราบิสบูชาแล้วก็จะไปพระนิพพานได้บางคนทำบุญใส่บาตรแล้วก็ขอให้ได้ไปไปนิพพานกัน ข อ, อยังไงก็ไปไม่ได้นิพพานถ้าทําแต่อามิสบูชาถ้าทําแต่ทําบุญใส่บาตเพียงอย่างเดียวแลอาจจะไปไม่ถึงสวรรค์ด้วยก็ถ้าไม่ได้รักษาศีลถ้ายังทําบาปอยู่ยังโกหกหลอกลวงอยู่ยังช่อโกองอยู่ยังลักทรัพย์ของผู้อื่นอยูแต่ก็มาทําบุญใส่บาปอยู่ถ้าทำยังทําทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปนะ ทำทั้งบุญและทำทั so ้งบาปนี often, ่ก็ขึ gadgets, ้นอยู่กับว่าบาปกับบุญนี้อันไหนจะมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะไปสวรรค์ไม่ได้อันนี้ถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาศึกษาก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจก็คิดว่าถ้าได้ทำบุญใส่บาปแล้วก็ไปนิพพานได้เลยขอไปให้ไปถึงนิพพานได้เลยไปไม่ได้ แม้แต่สวรรค์ก็ยังไม่แน่ว่าจะไปได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้รักษาศีลห้าควบคู่ไปด้วยถ้ารักษาศีลห้าควบคู่ไปกับการทำบุญใส่บาทนี้รับประกันได้ว่าตายไปแล้วนี้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะบาปนี้จะไม่มีหรือมีน้อยกว่าบุญถ้าบุญมีมากกว่าบาปนี้บุญก็จะไปสวรรค์บุญก็จะดึงใจให้ไปสวรรค์ได้ แต่ไม่มีกำลังพอที่จะดึงไปถึงพระนิพพานได้ถ้าอยากจะไปถึงพระนิพพานนี้จะเป็นจะต้องใช้การปฏิบัติสมาธิและปัญญาการรักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองอยิบเจ็ดแล้วก็มาฝึกสมาธิแล้วก็มาศึกษาทางปัญญาเพิ่มเติม ปัญญาที่ต้องศึกษาที่จะนำพาให้จิตใจไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องต้องเป็นปัญญาในระดับของพระอริยเจ้าคือต้องเห็นอริยสัจสี<ม>ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะสามารถจะส่งใจให้ไปสู่พระนิพพานได้ฉ<ม><ม>ันั้นเวลาที่เรามาปฏิบัติบูบชานี้เราต้องรู้ว่าเราต้องทำบู ต้องทำอะไรบ้างมีสามข้อใหญ่ๆคือศีลศีล ส, สมาธิปัญญาศีลเราก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ต้องรักษาศีลแปดไม่ใช่แต่สมาทานแล้วไม่รักษาสมาทานแล้วก็ต้องไม่ทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้เช่นศีลข้อสามก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใคร ไม่นอนถ้ามีสามีมีภรรยาก็ต้องแยกห้องกันไม่อยู่ไม่นอนน่วมกันแล้วก็ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆหรือไปงานเลี้ยงต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไปสัไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้ต้องปฏิบัติให้ได้นี่คือการปฏิบัติศีลต้องสามรวมอินรี ทำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกดลดธธิ่นรสโผฏฐพลาเพราะถ้าไปหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสแล้วมันจะติดเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดพอเสพแล้วมันจะติดจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยถ้าไปเสพเยอะเสพรูปเสียงกดลิ่นรสโผฏฐพลาอยู่เรื่อยก็จะไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติสมาธินั่นเอง ไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบแล้วก็มาศึกษาทางด้านปัญญาเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของตายรักนิจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างไรนี่คือหน้าที่ของการรักษาสินสินแปดเพื่อหยุดกิจกรรมทางกามอารมณ์ทางกามาคุณห้า ทางรูปเสียงจิตลดโสดพระต่างๆไม่ร่วมหลับนอนไม่หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารตามความอยากให้ดื่มให้รับประทานอาหารได้ตามความจําเป็นของร่างกายเหมือนกับการรับประทานยาให้มีเวล่ำเวลาให้มีปริมาณที่พอควรสังเกตดูเวลาที่หมอเขาให้ยาเรามาเนี่ยเขาไม่ได้ยกยาให้มาทั้งขวดแล้วก็ให้กินตามอยายําเภอใจนะ อยากจะกินตอนไหนก็กินถ้ากินยาแบบนั้นก็ตายทั้นแทนที่ยารักษาโรคให้หายก็อาจจะถูกยาฆ่าตายก็ได้เพราะกินกินมากเกินไปอาหารก็เหมือนกันอาหารถ้ากินมากเกินไปก็ามาทำลายร่างกายและจิตใจได้ร่างกายที่รับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นความต้องการก็จะเกิดโรคภัยต่างๆขึ้นมาคือโรคอ้วนนี่แหละ โรคอ้วนก็จะมีโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจต่างๆตามมาดัง น, นการรับประทานอาหารนี่สำหรับนักปฏิบัติบูบชานี้ต้องรับประทานเพื่อเป็นเหมือนกับการรักษาร่างกายรับประทานเหมือนรับประทานยาต้องมีปริมาณพอสมควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ให้รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่อดอยากขาดแคลนก<ม>็ส่งอนุญาตให้รับประทานได้ไม่เกินเที่ยงวันไป<ม>แล้วก็รับประทานเพียงมือ้อสองมื้อก็พอเท่า น, นี้ก็พอแล้วสำหรับการเลี้ยงดูร่างกายก็จะได้ไม่เอาไม่เสียเวลากับการไปหาอะไรมากินอยู่เรื่อย แล้วก็จะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปนอกจากเสียเวลาของการปฏิบัติไปแล้วถ้ากินมากเกินไปเวลามาปฏิบัติก็จะเกิดความเกลียดข้านเกิดความง่วงเหงาเหงานอน<ม>นั่งสมาธิก็จะสับประกคอพับอยู่เรื่อย<ม>นั่งแล้วก็หลับมไม่ใช่นั่งแล้วสงบนะคนบางคนนั่งแล้วหลับก็คิดว่าโอวันนี้นั่งสมาธิดีแล้วเกินจิตสงบนั่งได้เป็นชั่วโมงมพอ เดินขึ้นมาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยถ้<ม>นนานั่งถ้านั่งได้สมาธิจริงๆมันจะได้ความสุขได้ความสบายอกสบายใจเบาอกเบาใจ<ม>ได้ความมหัศจรรย์ใจในความสงบของใจว่ามันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละถึงจะเป็นสมาธิจริงๆถ้นนานั่งแล้วคอพับแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยมาลืงตาเตินอีกทีว่าโอ้ดูนาฬิกานั่งไปตั้งชั่วโม่างนี้ อันนี้แสดงว่านั่งหลับอไม่ไม่เห็นผลอะไรเลยจากการนั่งถ้าเป็นความสงบจริงๆนี่มันจะต้องตื่นตื่นตาตื่นใจเหมือนกับได้ไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่นเวลาเราไปดูสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งสามเราจะมีความตื่นตาตื่นใจกันเวลานั่งสมาธิแล้วจิตสงบนี่มันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี้ มันจะทําให้เกิดความรู้สึกโอโหไม่มีอะไรที่จะมหัศจรรย์ใจเท่ากับเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันรู้สึกมันมันไม่มเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้ไม่มีเหมือนเลยต่อให้ไปดูสิ่งนี้มหัศจรรย์ใจขนาดไหนก็ตามพอมาพบกับความสงบของใจนี่มันเทียบเทียบกันไม่ได้เหมือนฟ้ากับดิน อันนี้แหละคือความสงบเองฉะนั้นท่ายังไม่เจอความมหารัจจใจจากความสงบนี้ก็แสดงว่าจิตยังไม่สงบเต็มที่อาจจะเริ่มสงบบ้างอาจจะมีข้อรู้สึกเบาบ้างเย็นสบายใจขึ้นมาบ้างแต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบมหาสัจจใจขึ้นมามหาสรย์ใจนี้จิตต้องรวมเป็นหนึ่งสักตว์วารุเป็นเอกขัตตารมแล้วก็มีอุเบกขาใจ ปัสจาความรักชังกลัวหลงอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิจิตรวมนนการที่จะทำให้จิตรวมได้นี้ก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติก็เลยต้องเข้มงวดกับการรักษาสินสินของตนทำตามข้อห้ามต่างๆอย่าเอาเวลาไปหาความสุขทางลูกเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้เอาเวลามาใายกับการเจริญสติเพราะการที่จะนั่งนั่งแล้วทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้นี้ต้องมีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยถ้าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปจนวันตายจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าต้องการให้จิตเข้าสมาธินี้ ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้จนกระทั่งความคิดนี้หยุดนิ่งไปเลยพอความคิดหยุดจิตนิ่งพั๊จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ฉะ น, <ม>นั้นต้องฝึกสติก่อนต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆต้องทําทั้งวันตลอดวันช่วงระหว่างวันนี้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาไปนอนเนี่ยต้องมีการเจริญสติอยู่ตลอดเวลา การเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นวิพุทธานุสติการใช้พุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญสติออให้เราะลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธพอลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้ พุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติด้วยพุโทโธหรือบางคนก็จะใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ได้ดูว่าร่างกายตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนให้เฝ้าดูร่างกายอย่างเดียวร่างกายกำลังรับประทานอาหารก็ดู ว่ากำลังรับประทานอาหารตั้งแต่ตักอาหารจากจานขึ้นมาใส่ปากเคี้ยวแล้วก็คืนลงไปแล้วก็กลับมาดูตักอาหารจากจานขึ้นมาใหม่เข้าปากใหม่เคี้ยวใหม่คืนให ม, ใหม่ให้ดูทุกขั้นตอนของการรับประทานอาหารเลยเพื่อที่ใจจะได้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ถ้าใจเผลอไปคิดก็แสดงว่าไม่ได้ดูร่างกายแนละ้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ พอได้สติพอรู้สึกตัวว่าโอ้ตอนนี้เราเผลอแล้วเราไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวาหการกระทําของร่างกายเราก็ต้องดึงกลับมาใหม่ใหม่ๆเวลาปฏิบัตินี้มันจะดึงไปดึงมากันความคิดมันจะดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สติก็พยายามดึงใจให้กลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธหรือ ม, มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายมาอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกาย เบื้องต้นของการ ป, ารปฏิบัติสติมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับการชักกเยอะกันระหว่างความคิดกับ mm. สติสติก็คือพุทโธหรือการเฝ้าดูร่างกาย mm. Mm. มันจะดึงกันไปดึงมันมาพอพุทโธหายไปปั๊บมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทันทีพอรู้ว่าไปคิดเรื่องนั้นเรื imos, นน Также, ถ czenia, ถ่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทันทีก็ดึงกับเอาพุทโธกลับมาใหม่ต <m> ้องพุทโธใหม่ต้องขยันทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถึงจะสามารถหยุดความคิดได้ถ้าเราทําอยู่เรื่อยๆต่อไปสติเราก็จะมีกําลังมากขึ้นมีความสามารถที่จะยับยั้งความคิดได้มากขึ้นและเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วขึ้นถ้าสติน้อยสู้ความคิดไม่ได้นั่งไปแล้วจะไม่สงบเลยนั่งไปแล้วจะฟุง้งซ่านจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ จนไม่มีกำลังใจที่อยากจะนั่งต่อไป <Yeah. S 1> เพราะว่านั่งแล้วมันไม่ได้ผลนั่งแล้วก็เหมือนกับไม่ได้นั่งก็เลยคิดว่าไ ม, ไม่ไม่รู้จะนั่งไปทำไมก็เพราะว่าไม่รู้จักวิธีนั่งที่ถูกต้องว่าการที่จะนั่งจะให้ได้ผลนี้จำเป็นจะต้องฝึกสติก่อน <Yeah. S 1> ต้องมีสติก่อน <Yeah. S 1> เหมือนกับเวลาที่เราขับรถนี่เราต้องการจะหยุดรถข้างหน้านี่เราไม่ไปหยุดตรงเราไม่ไปแตะเบรกตรงที่เราต้องการจะหยุดใช่ เราก็ต้องชะลอรถแล้วเหยียบเบรกก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราต้องการจะอยู่เช่นเรามาถึงสี่แยกก่อนจะมาถึงสี่แยกไฟแดงนี้เราก็ต้องรี บ, บเหยียบเบรกไว้ก่อนนะถ้าไปเบรกตอนที่ถึงสี่แยกไฟแดงมันก็ไม่จุดมันก็ไม่จอดตรงสี่แยกไฟแดงมันก็จะลื่ยไปก่อนทันใดถ้าเราต้องการให้จิตสงบตอนที่เรานั่งสมาธิเราก็ต้องเหยียบเบรกคือหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่ง ไม่ใช่มานั่งแล้วมานั่งหยุดความคอยพยายามจะหยุดความคิดตอนนั้นก็จะมีเวลาไม่พอนั่งไปได้ไม่นานก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะมันจะเริ่มรู้สึกอึดอัดเวลามีความคิดความคิดมันอยากจะอยากให้เราไปทํานู่นทนํานี่พอเรานั่งเฉยๆมันก็เลยจะเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาความอึดอัดนี้แหละที่จะทําให้เราทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่คอยควบคุมความคิดไว้ก่อน บ่อยให้มันคิดในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่คิดอยากจะไปทำนู่นคิดอยากจะไปทำนี่คิดอยากจะไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้พอเกิดความคิดหลังนี้ขึ้นมามันก็เกิดอารมณ์ความอยากตามมาพอเกิดอารมณ์แล้วมันก็จะสร้างความรู้สึกอุดอัดขึ้นมาในใจสร้างความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาตอนนั้นที่สุดก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เป็นปัญหาของผู้ที่มาฝึกสมาธิกันไม่เข้าใจวิธีการฝึกสมาธิว่า ก่อนจะมานั่งสมาธิได้นี้จะเป็นจะต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติให้มากๆก่อนแล้วถ้ามีสติแล้วเวลามานั่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่ถึงเมื่อจะมีบ้างก็สามารถใช้สติหยุดมันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจนสามารถนั่งแล้วเข้าสมาธิได้ได้ไม่นานบางคนนั่งห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมได้สง บ, บได้เพราะมีสตินั่นเอง ถไม่มีสตินั่งไปครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ไม่สงบนั่งแล้วก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปอยู่เรื่อยๆสลับกับการมาพุทธโธพุทธโธอยู่สักคำสองคาเดี๋ยวก็เผลอแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ต่อ <Yeah. S 1> นักปฏิบัติสมาธิที่ไม่ได้ผลกันก็เพราะว่าไม่มีสติพอที่จะทําทใจให้หยุดคิดได้นั่นเองเพราะฝึกสติมาน้อยมากต้องพยายมาม่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆ เช่นในวันพระนี่เอาเวลามาฝึกสติกันตั้งแต่ตื่นจนหลับว่าตั้งสัจจะทิ่ฐาน ว, วันนี้วันพระตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้เราจะไม่ทำอะไรนอกจากการฝึกสติคอยหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือการเฝ้าคอยดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปม่ปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ลองทาดู ถ้าพยายามทําไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นตามลําดับสติก็เป็นเหมือนเด็กเนี่ยที่จะค่อยจเจริญเติบโตไปเด็กเวลาหัดเวลาที่จะหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งมันก็ต้องมีการล้มลุกคุกคานไปก่อนตอนต้นก็คานก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมายืนยืนได้สองสามก้าวก็นอนไปลงไปใหม่แต่ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆ ต่อไปเด็กก็จะยืนได้เดินได้วิ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันสติตอนต้นก็จะล้มลุกคลุกคลานไปก่อนคิดเรื่องจุดเรื่องพุโทโธพุโทโธได้สองสามคำก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ละหรือเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังตักอาหารเข้าปากกําลังจะเคี้ยวพอจะเกินพอจะไปตักใหม่เอาไปคิดเรื่องอื่นเสร็แล้วอันนี้เพราะว่าใจมันไม่ยอมอยู่นิ่งความคิดมันไม่ยอมอยู่นิ่งมันชอบคิดอยู่เรื่อยๆ เราต้องใช้ฝึกสติให้มากมก่อนถึงจะมานั่งสมาธิได้ถึงจนทําใจให้สงบได้นี่ละคือการฝึกขั้นต้นคือการฝึกสติเพื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะนิ่งจะได้นิ่งจิตจะได้สงบจิตจะได้เข้าสู่ฌานฌานขั้นต่างๆได้ถ้าไม่มีสติแล้วเข้าฌานไม่ได้สงบไม่ได้ถ้าสงบไม่ได้จะไปฝึกทางปัญญาต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร พราะจิตที่ไม่มีฌานไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญาไปสู้กับกิเลสปัญญานี้เป็นเหมือนอาวุธ <Yeah. S 1> คนที่จะใช้อาวุธนี้ต้องมีกําลัง <Yeah. S 1> คนที่จะใช้มีดใช้ปืนนี้ต้องมีกําลังแบกปืนแบกบมีด <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีกําลังเนี่ยเอามีอาวุธก็ใช้มันไม่ได้เพราะไม่มีกําลัง <Yeah. S 1> ต้องฝึกต้องสร้างกําลังให้กับใจก่อน เหมือนทหารก่อนที่จะออกรบนี่เขาต้องให้หลับนอนให้กินอาหารให้สมบูรณ์ให้พักผ่อนหลับนอนให้เต็มที่ให้มีกําลังก่อนแล้วถึงค่อยออกไปสู่สนามรบเอาเอาอาวุธไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรู <Flying away> ้าทหารไม่มีข้าวกินไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนนี้มีอาวุธดีขนาดไหน <sounds S 1> เวลา <overseas> ที่จะออกศึกก็ไม่มีกําลังที่จะแบกอาวุธไปไม่มีกําลังที่จะใช้อาวุธต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้ อันใดจิตก็เหมือนกันจิตก็เป็นเหมือนผู้ที่จะออกสู่สงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี่เองถ้าเราต้องการชนะกิเลสเราก็ต้องสร้างธรรมให้มีกำลังให้มากขึ้นต้องสร้างสมาธิให้มีกำลังที่จะสามารถใช้ปัญญาใช้อริยสัจสี่ใช้ายรักษมาต่อสู้กับความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจได้ ถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่ต้องไปศึกษาเรื่องปัญญาเรื่องอริยาาสัจสีเรื่องไตรลักษณ์ว่าเป็นอย่างไรศึกษาไปก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสฆ่ากิเลสตัณหาได้เพราะไม่มีกำลังต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตมีกำลังให้จิตสามารถตั้งมั่นอยู่ในความสงบให้อยู่นิ่งเฉยให้ได้ เพราะการจัดชนะตันหาความอยากได้ก็ต้องอาศัยความนิ่งเฉยนี่แหละเป็นตัวที่จะหยุดตันหาหยุดความอยากได้ถ้าเกิดเราอยากจะทำนู่นทำนี่แต่ถ้าเราทำใจให้นิ่งเฉยได้ความอยากก็ไม่สามารถที่จะดึงให้เราไปทำอะไรได้พอมันไม่สามารถดึงให้เราไปทำอะไรได้มันก็จะหมดกาลังไปงแล้วมันก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไปนี่แหละคือการปฏิบัติเรียกว่าที่เรียกว่าปฏิบัติบูบชา เพื่อที่จะได้ไปถึงพานิพานการจะไปพานิพานได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะมาสู้กับตันหาความอยากตัวที่จะคอยดึงให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาที่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ความอยากก็จะไม่สามารถดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ เมื่อเราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะอยู่ที่นิพพานนี่ออออนี่หละคือเรียกว่าอ น, นิสงส์ที่จะเกิดจากการปฏิบัติบูบชาก็เพื่อที่จะทําให้ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ไปให้เข้าสู่พระนิพพานนั่นเองนี่คือเรื่องของการบูชาของชาวพุทธเราที่พระเจ้าทรงสอนให้บูชากันอันต้นก็ให้บูชาด้วยอมิตรบูชาไปก่อน แล้วต่อมาก็ให้หัดทำปฏิบัติบูชาเช่นในวันพระนี่ก็เปลี่ยนจากอาวุสบูชามาเป็นปฏิบัติบูชาทําไปเรื่อยๆต่อไปก็จะมีกําลังที่จะปฏิบัติบูชามากขึ้นมากขึ้นจนสามารถปฏิบัติได้ทุกวันพอสามารถปฏิบัติบูชาได้ทุกวันก็จะออกบวชได้ออกบวชก็จะได้ปฏิบัติบูชาได้ทุกวันอย่างเต็มที่แล้วไม่ช้าก็เร็ว ถ้ามีการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องผลของการปฏิบัติบูบชาก็คือการบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานก็จะตามมาอย่างแน่นอนนี่เกิดเรื่องของการบูชาในพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปูราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอ oh ิชิตังปฏิตังตุม e หังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปนะรัศยทามณิโชติอรโศยทาสัพพิติโยวิวัชยันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจังวุฒาปะจายิโน ยตาโธรรมวทานติอายุวันสุขังท้าลังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจากเลิกเราจะไม่สะดวกที่จะตอบนะใครอยากจะถาม่ะเดี๋ยวรอสักครหนึ่งเดี๋ยวขอ ขอตรวจสอบเรื่อง ผ, ผู้ติดตามวันนี้ก่อนว่ามีเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติพิชาโต454 YouTube พระสุชาติไลฟ์308 YouTube d กเตอร์วีช59วิทยุออนไลน์10 c l ับ h ฮ u s ์9ผู้รับฟังธรรมะนากุติ68คนรวมทั้งหมด908ครับ okay. ท่านอยากจะถามเชิญเข้ามาได้เลยเชิญโยมเข้ามาขอบคุณครับพูดใกล้ๆปากเขากาดถามคำถามนะอาจารย์มีอดีตโค้ชฟุตบอลชื่อดังนะครับเคยกล่าวไว้ว่าถ้านาักกีฬาไม่มีความหิวกระหายในชัยชนะก็ป่าประโยชน์ที่จะดึงเข้ามาร่วมทีมคำถามก็คือนักปฏิบัติธรรม คนจะมีความหิวกระหายที่จะได้รับรู้ธทำขั้นสูงๆขึ้นไปหรือไม่เหมือนกันเขาเรียกฉันทะฉันทะความยินดีความหิวกระหายจะทํางานอะไรให้สําเร็จต้องมีความยินดีกับงานที่เราทําก่อนเราถึงจะมีวิริยะความความเพียรพยายามตามมามีจิตตวิมังสาที่เรียกว่าอิติบาทสิ่งไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมจะสําเร็จได้ไม่สําเร็ จ, รจก็ต้องมีอิติบาทสิ่ง มีความหิวกรหายมีความยินดีในงานที่เราต้องทํามีความเพียรพยายามมีความตั้งใจแน่วแ น, วแนว่มั่นคงและมีสติปัญญาที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปเหมือนการทั้งโลกทางธรรมก็ต้องมีที่บาดซีนเช่นเดียวกันเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้และในระหว่างทางนี่ นักปฏิบัตินี่ควรที่จะปล่อยวางเรื่องของผลต่างๆหรือเปล่าครับอาจารย์เรื่องผลมันไม่ต้องปล่อยนะเรื่องผลก็เหมือนมันก็เหมือนกับรางวัลที่เราได้รับในแต่ละขั้นไงเราแข่งขันในเช่นเกมเราก็ได้เหรียญทองมาเราก็ไปต่อที่โอลิมปิกเรวก็ไต่เต้าไปเรื่อยๆผลที่ได้มาเราก็รับรู้ไว้เก็บไว้ท่านี้เป็นกําลังใจว่า อ, อ๋อเราเรามาถูกทางแล้วเราได้ผลดีเราดําเนินการอย่างนี้ต่อไป มันอพอได้เป็นโสดาบันแล้วเราก็ดำเนินต่อไปให้เป็นสกิรดาคาจากนั้นก็ไปเป็นอาณาคาแล้วก็ไปเป็นท่าหอันตามลำดับต่อไปขอบคุณครับคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติครับพยายามทำสมาธิแต่พอหลับตาทีไรก็จะหลับทุกทีต้องแก้ไขอย่างไรครับ ก็อย่างที่พูดอ่ะอยากจะฝึกสมาธิก็ต้องถือศีลแปดกันคือไม่กินข้าวมากเกินไปกินวันละมื้ออย่างงี้ถ้ากินมากมันก็ง่วงเป็นธรรมดาต้องลดการบริโภคอาหารหนงให้น้อยให้มันมีความรู้สึกไม่อิ่มมันรู้สึกหิวหิวนิดๆแล้วมันจะไม่ง่วงถ้ามันอิ่มแล้วมันจะง่วงคำถามต่อไปจากคุณแพร่รุง้ง ถ้าเราโดนคุณใสามาปิดกั้นของดีในตัวเราเราควรทําอย่างไรให้หลุดพ้นครับอ๋อมันปิดไม่ได้หรอกเรื่องของบุญของบาปบุญกับกบาปนี้ไม่มีใครจะสามารถมาปิดกั้นมันได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ปิดกัน้นบุญกับบาปไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณวิจัยมีสามคำถามครับคําถามแรกอาการมึนๆเ ค, คลิมเป็นอาการของฌานหรือไม่ครับไม่ใช่หรอก ทานจะมีความเบิกบานตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไม่ตื่นเต้นแต่ตื่นใจเบิกบานสดชื่นคำถามที่สองผมมีเพื่อนเป็นโรคพาร์กินสันอยากจะแนะนําบทสวดมนต์ควรจะเลือกบทไหนดีที่สุดครับการสวดมนต์นี้สวดเพื่อให้มีสติเพื่อให้ใจสงบบทไหนก็สวดได้เหมือนกัน คำถามที่สาการเจริญสมาธิแบบไหนทําให้ได้บุญและไม่ได้บุญครับแบบมีสติไงถ้ามีสติก็จะได้ผลในความสงบถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่ได้บุญไม่ได้ผลคําถามต่อไปจากคุณตั้มหัวใจของการถือศีลแปดคือการที่ทําให้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่อันนั้นก็ส่วนนึง อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องนะการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะมันจะมาเป็นเครื่องขัดขวางการทำให้ใจเราเข้าสู่ความสงบคำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาพระอระหันต์มีสติทุกขณะจิตหรือที่เรียกว่าสติอัตโนมัติใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ต้องเป็นพาาระหลังก่อนแล้วก็จะรู้เอง ถามจากคุณบบยกปัจจุบันลูกทันความคิดอักกุศลได้ไวกว่าเมื่อก่อนครับแต่ก่อนนั่งสมาธิไม่ได้ดูลมก็ฟุ้งไปเรื่อยปัจจุบันก็ดึงสติให้อยู่ในใจพอแวบไปปรุงแต่งสิ่งต่างๆที่รับรู้จากภายนอกก็กลับเข้ามาในห้องใจได้ไวกว่าแต่ก่อนมากครับโดยใช้พุทธานุสติแต่ยังไม่เกิดปัญญา สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองหรือไม่ครับหรือควรตั้งปัญหาเพื่อให้เกิดปัญญาครับอ๋อปัญญามันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนฝึกสตินี้จะไม่เกิดปัญญาขั้นตอนปัญญานี้ต้องเป็นเหมือนกับการไปศึกษาหาความจริงของร่างกายเราว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราอันนี้คือขั้นของปัญญาเหมือนกับไปศึกษาวิชาชีววิทยาศึกษาดูว่าร่างกายของเรานี้ มันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นเราหรือมันเป็นดินน้ำลงไฟอ่ะมันเป็นอาการสามสิบสองแล้วมันเป็นเราเนี่อันนี้ต้องไปศึกษาคนคว้าอยู่ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาคำถามต่อเนื่องจากท่านเดิมครับลูกรู้สึกว่าปัญญายังถือว่าน้อยมันไม่เกิดก่อนปัญหาครับบางทีกว่าจะใช้เวลาดับได้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นชั่วโมงเลยครับก็มันยังไม่ถึงขั้นอนะ่ะ ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิก็จะมีปัญญาก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องปัญญามากเกินเกินไปให้เวลามีปัญหาให้มาทำใจให้สงบก่อนก็ระ ง, งับปัญหาได้ชั่วคราวก่อนเวลาโกรธใครก็มาทำพุทโธพุทโธ ท, ทาใจให้นิ่งให้สงบก่อนอใจก็จะหายโกรธหายทุกข์ได้ชั่วคราวถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิอะไรเวลาโกรธ ปัญญาก็หยุดไม่ได้สติก็ไม่มีจะหยุดมันมันก็โกรธไปเรื่อยๆดัะนั้นตอนนี้เราต้องทำตามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือฝึกสติให้มากๆก่อนให้ทันกิเลสทันความความโลภความโกรธความหลงก่อน เ, อเวลามันแสดงตัวเราจะได้หยุดมันได้ชั่วคราวหลังจากนั้นแล้วเราค่อยไปศึกษาทางปัญญา ระงับสาเหตุของความโลภความโกรธความหลงว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้สาเหตุเราก็สามารถที่จะระงับความโลภโกรธหลงได้อย่างถาวรต่อไป okay. มีใครอยากจะถามอะไรไหยไม่มีคนถามแล้วนะปัญหาถามได้นะเพราะตอนนี้ให้ถามเดี๋ยวพอเรื่องเล่าจะมาถามขอต้องขออภัยไม่ตอบนะเพราะว่ามันไม่สะดวก พอเวลาเลิกแล้วเดี๋ยวต้องเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวคนนั้นก็มาอขอถ่ายรูปบางคนก็มาลามาอะไรต่างๆก็เลยไม่สะดวกที่จะตอบคําถามในช่วงนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพียงแต่ว่าถ้าอายหรือไม่อยากจะพูดเรื่องส่วนตัวก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้เขียนบอกว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามแล้วก็ถามปัญหาอย่งนี้ก็ได้ แต่จะรอเวลาที่จะมาถามสองต่อสองนี่ไม่ค่อยมีโอกาสไม่ค่อยมีเวลาต้องขออภัยด้วยถ้าไม่มีใครอยากจะถามก็จะขอยุติการสนทนาไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอให้ท่านทวงเอามาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ